แนะนำบทอัลมาซัตบทอัลมาซัตเป็นบทมัคคิยาะมีห้าองค์การบทนี้ได้กล่าวถึงความมินาฏของอับดุลลาฮ์สตรูของอัลลอฮ์และเป็นศัตรูตัวฉกาจของทัรรุสุลลลอฮ์เวหลาวะสลัมเขาได้ละทิ้งการงานของเขาและติดตามทัรรุสุลลลอฮ์เวหลาวะสลัมเพื่อทำลายการเรียกร้องเชิญชวนของท่านและขัดขวางผู้คนไม่ให้ศรัทธาต่อท่าน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 ด้วยพระนามของอลัลลอ์ผู้ทรงตรุนาผู้ทรงเมตตาเสมอับบอมือทั้งสองข้างของอบูละฮับจงพินาศแล้วก็ได้พินาศแล้ว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 ที่คอของนางมีเชือดที่ถักด้วยใยอินทรพลัมคล้งองอยู่